อันนั้ภาระขนาดไหนใช่ไหมภาระของการดูแลกายานี้นับตั้งแต่เมื่อไหร่นับตั้งแต่เกิดมาแล้วแหะแ้แ้มาเนี่ยนะจวบจนปัจจุบันเนี่ยนะต้องอาบน้ําให้กี่รอบเนี่ยนะอาบน้ํามาให้แล้วกี่ครั้งทานอาหารแล้วกี่ครั้งต้องแปรงฟันมาแล้วกี่รอบต้องอาบน้ํากี่รอบจะต้องตัดผมกี่ครั้งตัดเล็บโอ้ดูแลร่างกายเนี่ยทุกแทเนี่ยนะไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งแล นอนเป็นต้นเนี่ยนะมันให้ภาระแกเราขนาดเนี่ยมันโยนภาระมาให้เราบริหารขนาดเนี่ยเราจะบอกว่าของเราได้ไหมแล้วของเราเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นของเราจริงๆแล้วเนี่ยนะมันน่าจะคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมตับเอ้ยอย่าแข็งสิอะไรคุยกันรู้เรื่องไหมตับอย่าแข็งนะอย่างเงี้ยสมองอย่าฟอนนะเนี่ยนะอย่ารีบเลยเดี๋ยวนะ ไม่รีบมเกิดไปบวมอีกยุ่งอย่านีนะนะผอมก็อย่างอกเนื้อเนี่ยนะจะลุกจะเดินจะเหินก็คล่องแคล่วเนื้อเนี่ยนะมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยท้องอย่าปวดซี่หลังก็อย่าเมื่อยี่จะนั่งฟังธรรมเนี่ยนะคุยกันไม่รู้เรื่องแบบเชื่อเหรอเนี่ยนะบางทีนะยิ่งสนใจเขาว่านะเขาเอาใหญ่เลยนะอย่าปวดซี่เอาอยปวดหนับกว่เก่อีกนะเอาเบาๆหน่อยหนักกระเดิมอีกเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แล้วมันจึงไม่ใช่ของเราเนี่ยนะ คือจริงๆแล้วเมื่อไหร่มันก็ไม่ใช่ของเราก็เข้ามาก็ถามเนี่ยนะเคยถามมันง่ายๆปะเอาไหมล่ะแม่ดูแลเหลือเกินนะกายนี้เนี่ยโอ้โอสนใจดูแลบริหารปกปักรักษาขอเคี้ยวอันเนี้ยคู่เนี้ยไปใช้ชาติหน้าต่อไปไหมเอาไหมไม่เอาเนี่ยนะบอกวโอ้ยหน้าสวยเหลือเกินเอาหน้าใบเนี้ไปใช้ชาติหน้าอีกเอาไหมอย่างนั้นโอ้ไม่เอาอีกแล้วนั่นนะติดอะไรสักชิ้นหนึ่งจากชาตินี้ไปไว้ใช้ชาติหน้าเอาไหม เอาผมชาตินี้ไปใช้ชาติหน้าเอาเล็บเอาฟันเอาหนังเอาเนื้อเอาแต่ละส่วนไปใช้ชาติหน้านี่เอาไหมไม่เอาไหมแต่ชิ้นเดียวเลยนะเศษเชี่ยวแกะตรงไหนเดี๋ยวนะี้จะไปผ่าทิ้งยนะังเพราะอะไรเพราะว่ามันก็เป็นอย่างเนี้ยมันถ้าเราเอาความรู้ในอนาคตมามองในปัจจุบันเราจะรู้ว่าโอ้โนี่เรามันเล่นซ่อนหาอะไรกันอยู่เนี่ยนะมาดูแลอะไรเนาะเนี่ยนะยิ่งดูแลก็ยิ่งอย่างว่า กายนี้นะีแรกๆเนี่ยดูแลง่ายนะไม่ค่อยยากนะเด็กๆเนี่ยดูแล ก, ก็ง่ายจะลุกจะเดินจะเฮินนอนไหน่หนึ่งก็สบายใจแล้วตอนนี้ตื่นขึ้นมาอย่างเพลียอะไรแบบนั้นนะตอนแรกเนี่ยแม้หลับงีบหนึ่งก็สบายแล้วตื่นขึ้นมายังเหนื่อยก็เกาอีกกันนะั่นนะนอนให้หมักก็เดือดร้อนเดินให้ก็เดือดร้อนนั่งก็เดือดร้อนอปวดเมื่อยทุกทรมานแล้วทุกส่วนมันป่วยหมดเลยนะแล้วราคามันแต่ละชิ้นดูสิ สมมติเราต้องหาสตังมาเพื่อจะดูแลตาเนี่ยนะดูแลยังไงมันก็บอดเนี่ยนะแต่ว่ากว่าจะเนี่ยนะดูแลใช้งานไปเรื่อยๆจนมันหมดสภาพเนี่ยสแสวงหาแก้วแหวนเงินทองไปจนมาเพื่อดูแลตาเนี่ยเท่าไหร่สแสวงหาแก้วแหวนเงินทองมาเพื่อดูแลร่างกายอะนะดูแลผมดูแลขนดูแลฟันเนี่ยนะคำถามว่าเออผมเนี่ยอบอบผมเนี่ยร้อนไหมบอกว่าทนได้เพื่อความงามของางั้นน่ะนะแล้วก็เอาแล้วเล็บฟันหนังเล็บเนี่ยเคยขบไหมบอกขบฟันล่ะ อันนั้นไปดัดฟันจัดฟันถอนฟันขูดหินปูนเฮ้ยเสียวปากเป็นต้นนะเสียวฟันหน้าดูเลยนะแล้วก็ในที่สุดก็ถอนเหยือกบวมอักเสบถอนฟันอีกเนี่ยนะบอกว่าเขามีคนถอนฟันบอกว่าหมอเข า, ายืน่นไอ้ฟันที่ถอนเนี่ยมาให้คนเจ้าของฟันดูไม่ยอมดูเลยนะบอกเออเอาไปเอาไปไม่ยอมดูเลยนะนะตอนที่อยู่ในปากแล้วก็อของเราเนี่ยนะนะแล้วก็ผิวหนังเป็นต้นก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะก็ต้องล้างทิ้งทุกวันนะั่นแหละเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยนะ แต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยพาระในการดูแล ร, รักษาเนี่ยนะอย่างผิวหนังเนี่ยพาระในการดูแลผิวหนังเนี่ยมากภาระในการบํารุงเนื้อดูแลเอ็นดูแลกระดูกดูแลเยื่อในกระดูกแล้วก็ดูแลไตเนี่ยนะไตเนี่ยไตข้างหนึ่งในราคาเท่าไหร่ใชราค า, วาคว่ควรแก่ชีวิตนั่นแหละถ้าดูแลสองข้างไม่ดีก็ตายแล้วหัวใจละ่ะหัวใจละ่ะราคาเท่าไหร่ดีเนี่ยนะว่าชีวิตนั่นแหละตับนะ พังผืด ม, ม้ามปอดอย่างงี้นะลำไส้ตั้งแต่นู้น่ะคอเป็เชิงทวารหนักสายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่าเนี่ยอาหารใหม่เนี่ยนะเรียกว่าอาหารหาอาหารเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเนี่ยนะตรนตร น, ตรนเพื่อจะหาอาหารมาเพื่อที่จะแมกลืนเข้าไปเนี่ยกลืนเข้าไปทุกมือทุกมือทุกมือเป็นเหวที่ถมอย่างไงก็ถมไม่เต็มเนี่ยนะถมอยู่นั่นแล้วเนี่ยนะก็เป็นภาระ ซึ่งความจริงมันเป็นอย่างนี้อะพระพุทธเจ้าเลยบอกว่านั่นไม่ใช่ของเราถ้าของเราจริงๆแล้วมันจะนาความทุกข์มาให้ขนาดนี้หรือเราไม่เป็นนั่นคือคื อ, อยังไงมันก็คิดว่ามันจะยั่งยืนและมั่นคงไหมยิ่งดูแลยิ่งชราและมรณะอย่างอื่นๆนะยิ่งดูแลยิ่งเจริญงอกเงยเช่นต้นไม้นะถ้าเราดูแลไปนานๆปลูกไม่สักใช่ไหมปลูกมาห้าหกสิปีนี่เป็นต้นไม้ใหญ่มีแก่นเลยนะ ตายนี้ถ้าเราเลี้ยงดูจนอายุสัก6กเจ็ดิเนี่ยนะแล้วข้มาจะเลี้ยงดูไปเรื่อยๆงนดูที่มันจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยนะน่าจะดักกระเดิมเยอะเนี่ยนะถ้าเรายิ่งเลี้ยงดูยิ่งแย่เนี่ยนะยิ่งดูแลก็ในที่สุดก็ตายมันก็เลยบอกว่าเราไม่เป็นนั่นหรอกเนี่ยนะถ้าเราบอกว่าเราเป็นผมเอาผมมันก็อย่างงี้แล้วเราเป็นเล็บาแล้วเล็บมันจะอยู่ต่อไปไหมล่ะเราเป็นฟันเพราะฉะนั้นมันจึงไม่นั่นไม่ใช่เราอะ ว่าเอาอะไรมาเป็นเราเพราะไอ้ตัวคำว่าเราเมืก่ น, นั้นก็เป็นความคิดชนิดหนึ่งเนี่ยนะที่เป็นสังขารธรรมเนี่ยนะอันนี้เราพูดถึงรูปเนี่ยมันไม่มีรูปไหนเหล่าใดที่จะเป็นที่สำคัญว่านั่นเป็นของเราและนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเพราะไม่มีผู้ใดมีอานาจเนี่ยนะมีผู้ใดไปสิงไปแทรกอยู่ในระหว่างมีอะไรสิงอยู่ในผมมังห คิดว่ามีอะไรสิงอยู่ในขนบ้างไหมมีสิงอะไรสิงอยู่ในเล็บในฟันในหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกแต่ละส่วนแต่ละส่วนบ้างไหมแล้วจะมีใครมีอํานาจที่เป็นผู้บงการเป็นผู้เสวยเป็นผู้ทําแต่สิ่งเหล่านี้ปัทวีธาตุมีอยู่นิสตตะนิจชีวสุญญาปุคละนี่ยนะนิสตตะปัทวีธาต์ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นมีอยู่แต่ไม่ใช่สัตว์เนี่ยนะ เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตเป็นต้นก็มีอยู่แต่ก็ไม่ใช่สัตว์เนี่ยนะนิสัตโตนิชีโวไม่ใช่ชีวะแบบที่เรียกว่าแหมไปเพาะขึ้นเป็นอะไรนะเป็นประวัติตมันเป็นอัตตาเป็นชีวะปุคละเอาไปแหมงอกขึ้นแบบอย่างอื่นเนี่ยไม่ใช่เลยนะนิสัตตานิชีวะสุญยะว่างจากความเที่ยงหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้หรอกว่างจากความสุขพิแท้จริงหาจากความ ว่าอัตตาว่าสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาไม่มีเพราะสิ่งเหล่านี้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาผมขนเล็บเนี่ยนะเขตามเห็นว่าผมไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะก็พระองค์บอกว่าให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนอนัผมไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาขนไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเล็บไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาฟันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็น อนัตตาผิวหนังทั้งหลายก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะเนื้อทั้งหลายก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเอ็นทั้งหลายที่รัดอ่าเรียกว่าที่ยึดรัดในร่างกายนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาโครงกระดูกที่มีอยู่ในกายนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาก็ต้องกินอะไรบำรุงกระดูกไปละอันก็ต้องกินกระดูกมาบำรุงกระดูกเนี่ยแหะแต่เขาไม่เรียกว่ากินกระดูกบำรุงกระดูกมันกาเรียกอย่างอื่นเรียกให้มันเพาะหน่อยเรียกอะไรแคลเซียมใช่ไหม จริงก็กินกระดูกเพื่อบำรุงกระดูกนั่นแหละเนี่ยนะมันไม่กล้าพูดตรงๆอ่ะนะเนี่ยนะกินศพกุ้งศพปลาเป็นต้นมาบำรุงเนื้อนี้เลยเหมือนกันไม่กล้าเรียกตรงๆอ่ะนะพูดความจริงมาได้งทีก็ต้องหลอกๆไปกินน้ํามันพายไก่อย่างเงี้ยนีก็ไม่เอาเอ่ะข้าวมันไก่ก็น้ามันพายไก่ใช่ไหมน้ํามันพายหมูเป็นต้นเนี่ยนะก็รับประทานศพหมูใช่ไหม พูอย่างเงี้ยโอ้ยอยู่กับเราทั้งนั้นเลยนะเลี้ยงดูกันเลยนะอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายของเราโดยครบถ้วนบริบูรณ์เนี่ยนะมันถ้าผู้ที่มีปัญญาอย่างว่านะถ้ามีปัญญาเห็นโดยถูกต้องตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตต า, าของเราถ้ารู้ว่าผมไม่เที่ยงสีของผมมันจะเที่ยงไหมเล็บไม่เที่ยงแล้วสีของเล็บเป็นต้นมันจะเที่ยงไหมกลิ่นของเล็บเป็นต้นจะเที่ยงไหมไ ม, ม่นั้น สีเสียงกลิ่นรสสีเสียงกลิ่นรส โ, โอชาเป็นต้นเนี่ยนะที่เรียกว่าอุปาทายรูปไม่ได้เข้าใจยากหรอกถ้ากำหนดผมขนเล็บฟันหนังไวม้มากๆใครควรวญไว้บ่อยๆทั้งโดย อ, อันนี้จังทุกขังอนัตตาปั๊บก็จะรู้จักสภาพที่เป็นความจริงของสิ่งเหล่านี้บันดิตครั้นเห็นปฐวีาธาตุนั้นด้วยปัญญาอันถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วอย่างนี้เนี่ยนะถ้าเห็นตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอย่างถูกต้องอย่างนี้แล้วย่อมเบือ่อหน่ายเพราะอะไรเพราะเมื่อเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะอนิจจานุปัสสนาที่บริบูรณ์ก็นํามาซึ่งนิพพิธาทุกขานุปัสสนาที่บริบูรณ์ก็นํามาซึ่งนิพพิธาอนัตตานุปัสสนาที่บริบูรณ์ก็นํามาซึ่งนิพพิทาเพราะฉะนั้นจะอนิจจังอย่างมากจนนํามาซึ่งความเบื่อหน่าย ถ้าเห็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นไม่เที่ยงมากๆก็นำมาซึ่งความเบื่อหน่ายในผมขนเล็บฟันหนังถ้าเห็นว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นทุกข์เป็นภาระเนี่ยนะก็น้อมไปเพื่อเบื่อหน่ายในผมขนเล็บฟันหนังถ้าหากว่ามองเห็นว่าผมขับปกขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาถ้ารู้ตามความเป็นจริงก็จักเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านี้ครับว่าย่อมเบื่อหน่ายในปัทวีธาตุเหล่านี้ยังจิตให้คลายกำหนัดใน ปัทวีธาตุถ้ากำหนัดนี่มันเกาะถ้าคลายกำหนัดแล้วว่าแปลว่าปล่อยหรือแปลว่าไม่เกาะเนี่ยนะไอ้เกาะนี่ถ้าเราจะเกาะปัทวีธาตุนี่เกาะว่ายังไงถ้ากำหนัดในปัทวีธาตุเกาะว่ายัางไง อ, อ่ะเอเราก็ไม่เห็นเกาะอะไรนะวันๆหนึ่งเราก็แต่งตัวทีเดียวก็เสร็จแล้วเราก็ไม่ค่อยสนใจอีกเลยนะฮะว่าเรากเกาะยังไงเราดูแลแค่แค่เรียกเอาเรียกอะไรนะดูแลให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเข้าสังคมได้เท่านั้นแหละไม่ได้ยึดอะไรหรอกเนี่ยนะ ยึดหรือไม่ยึดก็ลองอะไรตกใส่ผมดูสิเนี่ยนะอรีบปัดเนี่ยนะใช่ไหมก็ลองคิ้วมันไม่ค่อยดําก็เขียนอีกแล้วยังไงมันก็สรุปว่าเดือดร้อนหมดนะอ่ะนะอที่จริงเนี่ยเรายึดว่าถ้าผมของเราก็ต้องสวยใช่ไหมผมของเราก็ต้องสวยเสมอคิ้วของเราก็ต้องงาม นะฟันของเราก็ต้องงามเล็บ ก, ก็ต้องงามผิวหนังก็ต้องงด ง, งามเนังกต้องมีกระจกประจําตัวไว้อันหนึ่งเลยดูว่ายัางงามอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะไอ้ความว่ายึดเนี่ยไม่ได้แปลว่าแบกอย่างอื่นนะเพราะมันแบกอยู่แล้วละ่ะอะนะแบกแบกหามเนี่ยแบกหามอยู่แล้วใช่ไหมจะเดินก็เดินไปด้วยกันจะนั่งจะนอนเป็นต้นก็ด้วยกันอยู่แล้วละ่ะแต่ที่ยึดกันนั้นก็นั่นอหะว่ายึดว่าคนที่ยึดนะปกติก็ยึดว่านั่นเนะรานั่นของเรานั่นอัตราของเราวิทย์อีกในหนึ่งก็บอกนี่ความสุขนะ นี่ความเที่ยงนี้ความยั่งยืนเราคือผู้มีอำนาจในสิ่งเหล่านี้สั่งได้ลุกซิเราก็ลุกไว้พักอ่ะพักนอนก็นอนกิ น, นกินดื่มดื่มอู้สบายไปหมดดูแลนเนี่ยวิธียึดแล้วนะั้นสบายแต่ที่ยริงน้อยนักที่จะยึดมาแม่วิปัสสนาระดับสูงเนี่ยนะเขาบอกว่าเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะเบื่อหน่ายในขันห้าเหมือนชายหนุ่มหรือหญิงสาวผู้สะอาดเนี่ยนะ อาบน้ําชำระร่างกายเรียบร้อยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะเอาซากงูเนี่ยมาแขวนคอเนี่ยนะกำลังเน่าเฟะแล้วมาพันคอเนี่ยจะรู้สึกยังไงอ่ะอึดอัดเบื่อหน่ายชิงชังเอื่มระอาแล้วยึดถือว่านี้ความเพี่ยงนี้ความสุขนี้ความยั่งยืนนี้เป็นอัตตาไหมเอาถามว่าสมมติทนะ่าแบบร่างกายของเราเนี่ย สมมติคุณต้องอยู่กับมันตลอดไปใช้ดูแลอยู่5 0,000 ปีแล้วมันค่อยๆแก่ค่อยอะไรไปอย่างเงี้ยตลอดเวลาเนี่ยนะมันไม่ลดแล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยห้าหมปีแล้วคิดจะเอาไงดีฟันมันก็หลุดไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันมันมันไม่ให้ตายอ่ะว่างั้นเถอะให้อยู่ในสภาพแบบนี้แหละเนี่ยนะโอ้มันจะทุกข์ขนาดไหนใช่ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าเบื่อหน่ายน่าอึดอัดน่าเอือมระอาเนี่ยนะเขาบอกว่าวิธีคิดอีกน่งหนึ่งเขาบอกว่าคนที่เจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญาเนี่ยนะ ในวิสุทธิมรรคอาหารเรปติกูลสัญญาเนี่ยกล่าวไว้เลยบอกว่าถ้าเจริญอาหารเรปติกูลสัญญาเนี่ยมองเห็นสุนัขวิ่งก็เหมือนกับเห็นอาหารเนี่ยที่อยู่ในกระเพาะเนี่ยมันเดินได้อะเหมือนอาหารเนี่ยลอยไปเรื่อยเนี่ยนะเหมือนอาหารลอยเป็นมองเห็นตะก้อนอาหารอย่างงั้นนะเหมือนตะก้อนอาหารจะยืนจะเดินจะนอนก็เหมือนจะมีแต่ก้อนอาหารถ้าของพวกเราทั้งหลายเนี่ยถ้านั่งอยู่เงี้ยเราก็เห็นแต่ก้อน อาหารถ้าเจริญอันตังอันตังเนี่ยนะลึกถึงลําไส้มากๆเนี่ยนะก็ลําไส้ทุกคนก็คล้ายๆกับกระสือเดินได้เนี่ยนะกระสือนั่งกระสือนอนกระสือเป็นต้นเนี่ยนะอยู่ที่ไหนเนอะพวกเราทั้งหลายนี่แหละเนี่ยนะถ้าถ้านึกถึงไม่นึกถึงภาพอย่างอื่นเห็นแต่ก้อนตับลอยไปลอยมาแล้วเห็นนะเห็นก้อนหัวใจลอยไปลอยมาเอ้าซึ่งมันความจริงแต่ว่าเราเห็นมันประกอบมันประกอบรวมตัวแล้วมันแยกกระจายได้ไหมล่ะมันก็แยกมันก็กระจายอย่างนั้นเลยเนี่ยนะ เป็นก้อนหัวใจลอยได้ก้อนตับลอยได้ก้อนอะไรนะเป็นกลุ่มลำไส้ทั้งหลายเนี่ยม้นมวนพันพันลอยอ น, นะลุกเดินเหินเป็นต้นไปได้นะก็ถ้าพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆก็สําคัญว่าสิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งความสุขจริงหรือนำมาซึ่งความสบายจริงหรือนำมาซึ่งอะไรสําคัญว่าเป็นอัตตาว่าเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาจริงหรือเพราะฉะนั้นคลายกาหนัดแปลว่า ไม่มีวความหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะนํามาซึ่งความสุขไม่มีความหวังว่าจะนําสิ่งเหล่านี้จะนํามาซึ่งความเที่ยงนํามาซึ่งความยั่งยืน à, นํามาซึ่งอัตตานํามาซึ่งความสําคัญว่าเกี่ยวเนื่องด้วยอัตาออตาก็จะไม่มีความสําคัญแบบนั้นเรียกว่ายังจิตให้คลายกํยาหนัดในปฐวีธาตุเพราะฉะนั้นก็เรียว่าหมดหวังแล้วว่ามันจะเที่ยงสุขงามยั่งยืนและอัตตาเรียว่าไม่คิดว่าจะเป็นที่ตั้งแห่งความ เพลดิดเพลินเจริญใจเหล่าใดเลยเนี่ยนะไม่คิดว่ารูปทั้งหลายปัทวีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยจะเป็นที่ตั้งแห่งความเพลดิดเพลินและเจริญใจอีกต่อไปเลยก็เลยว่ายังจิตให้คลายกำหนัดในปัทวีธาตุก็บอกก็มาแยกในระดับสูงเนี่ยแยกว่าถ้าตามเพลิดเพลินในปัทวีธาตุผมขนเล็บฟันหนังกับเบื่อหน่ายในผมขนเล็บฟันหนังไหนดีกัน ไหนดีกับกันรู้สึกเบื่อหน่าย อ, อึดอัดเอือมระอาเนี่ยนะกับผมขนเล็บฟันหนังกับตามชื่นชมผมขนเล็บฟันหนังอันไหนดีกักน